ธรรมชาดกแผ่นที่8ปลำดับที่ส4สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สมิถุนายน2555หห้ามีชื่อเรื่องว่าพระอรหันต์ไม่ลืมคุณ โรงพยาบาลศรีนะครินจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อไปสร้างตึกสิบชั้นไปสร้างชั้นสิบตึกสมเด็จญานะ่นะสร้างเป็นสมุดสิบเก้าชั้นแต่ชั้นที่สิบเนะ่เป็นหอสงฆ์หอสงฆ์หออภิพบาลสงฆ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเนเนื้อที่ทั้งหมดพันเจ็ดร้อยห้าสิบตารางเมตรในชั้นนั้นพระ ส, สงฆ์ เดี๋ยที่พระสงฆ์อาพาธมีอยู่38เตียงแต่ถ้าว่าช่วงมากก็มีอยู่บ้างแต่โดยมากก็ไม่ค่อยจะเต็มเท่าไหร่หรอกประมาณทักยี่สิบกว่า30 ส, สิบเนี่ยแนะแต่ไม่เคยขาดจะปีหนึ่งจะมีการทอดผ้าป่าครั้งหนึ่งอันข่าวเนี่ยไจะทอดบนันที่17เจมิถุนาที่จะถึงนี่นะแหละกรนนิมลพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ในภาคอีสานนี่หรือภาคไหนก็ น, นิมนต์มามาแล้วก็จะไปตรวจสุขภาพก่อนะดับแรก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 เพื่อหาทุนสมทบตึกสงอาพาธหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อโดยมากหลวงพ่อจะเป็นผู้จับจับไม่อย่างนี้เหล่านั้นพระสงฆ์มากเเป็นร้อยสองสามร้อยนะึ่งหลวงพ่อก็บอกว่านี่หมู่คณะพระสงฆ์ทางหลายที่มาเก็บใครได้ป่วยถ้าโพไดก็ตามเจ็บป่วยอยู่ทาง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 และกับเงินที่เราใช้ในใช้ยังไงที่หมอใช้ในใช้ยังไงก็คือตามปกติพระก็ใช้บัตรทองเรียกว่าบัตรผู้ป่วยสามสิบบาทแต่ว่ายาบางตัวราคามันเมตรละห้าร้อยบาทอย่ามงมะเร็งเมตรละห้าร้อยบาทเมตรละสามร้อยบาททางโรงพยาบาลเขาก็ให้เพียงสองร้อยบาทเราจะต้องใช้เงินทุนก่อนนี้แหละ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 แว่นตาไม่มีพระที่ไม่มีแว่นตาแล้วก็เนี่ยแหละจะได้ใช้เงินก่อนนี้เพราะถ้าเงินก่อนนี้เป็นเงินเงินสำรองจ่ายที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะจ่ายได้เชเมื่อวันล่างไตเราก็เนี่ยใช้เงินก่อนนี้ได้แต่ล่างไตมันพั่มเพื่อนะจะ ต, ต้องได้ใช้เงินมากเขาก็ถามหลวงพอ่อ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 เก็บไข้ได้ป่วย เ, เดี๋ยวนี้ก็เงินมูลนิธิจุดนี้ก็ป่าเข้าไปเกสามสิบกว่าล้านเหมือนกันนะ น, นะนก็หลวงพ่อเีเทศใช้เอ็มพสามส่งไปทุกหัวละแหงอย่างที่ว่ากับเงินเขาก็โอนเข้ามานะโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิหออบิบาลสงหลวงปู่มันก็ปีหนึ่งใช้ประมาณล้าน ล้านเจ็ดกว่าปีที่แล้วนะแต่กว่าปีนี้ไม่รู้จะเท่าไหร่เนี่ยวันที่สิบเจ็ดที่จะถึงเนะี่ยคงจะรู้ได้แล้วก็มีการทอดพระป่าปีละครั้งสําหรับดูแลพระเถระผู้ใหญ่ทางทางภาคอีสานไม่ใช่พระเถระผู้ใหญ่พระป่วยทั้งหมดนะทัมูลนิธิ น, นี้คุ้มครองถึงชีด้วยนะถ้าชีป่วยก็คุ้มครองถึงชีด้วยเอาไปใช้ถ้าว่าชีมีความจําเป็นจะต้องได้ใช้กอขอให้ทางโรงพยาบาล คุ้มครองชีด้วยแล้วก็สมาเนนพระไม่ว่าพระนิกายไหน้าเข้ามาแล้วก็ให้เอาเงินก่อนนี้ใช้ได้เกี่ยวกับพระสงฆ์หลวงพ่อก็ บ, บอกกองว้า ง, างอย่างนั้นนะแต่ที่ค่า ใ, ใช้จ่ายก็เนี่ะล้านกว่าบาทต่อปีประมาณล้านเจ็ดล้านแปดแต่ทอดปีที่แล้วเนะ่เกือบสามล้านเหมือนกันนะ เราสึกว่าพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์ไปช่วยกันมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์พระสงฆ์มืวพ่อวัดต่างๆบางที่ก็นะลูกน้องลูกศิษย์ลูกหาของตนเองเวลาป่วยเข้าไปจะได้เอาไปนี่แหละสง่งเข้าไปในสีนักครินอันนี้ก็คือทอดผ้า ป, ป่าที่หลวงพ่อยื่นให้เมื่อกี้เนะี่ย นี่นะภาพวาดโรงพยาบาลศีนครินจังหวัดขอนแก่นแต่สองโรงพยาบาลอุดรของเราเนี่โรงพยาบาลอุดรของหลว ง, งตาที่สร้างเสร็จเปิดเมื่อต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยมั้งตึกสิบชั้นนะแล้วก็เตียงคนป่วยสองร้อยห้าสิบเตียงมะตึกหลังนี้แล้วก็มีพร้อมทุกอย่างที่ว่าเครื่องใช้ ที่วัฒทันสมัยกว่าทุกทุกหลังแล้วก็ตึกหลังนี้ใช้ชั้น 8, ชั้นเ้าชั้น10บเป็นตึกสงฆ์แต่ชั้นเจลงมาตึกชั้นเจมันเป็นตึกของเป็นชั้นของชีแล้วก็ตึกผู้หญิงด้วยของชีประมาณสัก10เตียงมั้งกันไว้สำหรับแม่ชีผู้ปฏิบัติจากนั้นก็เป็นของชาวบ้าน แต่นก็เป็นของชาวบ้านทั้งหมดแต่เมื่ออาทิตย์หลวงพ่อไปเยี่ยมน้องสาวขององค์หลวงตาที่อยู่ชั้นเจ็ดนะหลวงพ่อขึ้นไปโอ้รู้สึกเต็มทุกชั้นนะเต็มทุกชั้นแล้วคนป่วยรู้สึกว่ามากนะนี่แหละแต่อันนี้ก็ยังไม่มีก็ยังไม่ได้หลวงพ่อก็ได้พูดกับหลวงพ่อสุดใจอยู่ว่าเราจะตั้งเป็นทุนนิธิหรมูลนิธิ ดูแลพระสงฆ์ไหมกัช่วยๆกันคิดนะคณะมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนพอหลวงพ่อเป็นหลวงปู่บุญมีเป็นประธานตะกอนองคหลวงตาเป็นประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วทุนกระหมอ่อมว่าหญิงเป็นองค์อุปธรรมหลวงพ่อเป็นเลขาสมัยเมื่อหลวงตา ย, ยงังทรงท้าทรงขันอยู่ แต่พอหลวงตาจากไปยกหลวงปู่บุญมีเป็นประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนหลวงพ่อเป็นรองเป็นรองประธานหลวงพ่อจุธรรมเป็นรองประธานองค์ที่สองจากนั้นก็ท่านหลวงพ่อจุดใจเป็นเลขาเลขามูลนิธินี่แหละอันนี้ก็กองทุนกําลังทะลักเข้ามาอยู่สําหรับเสียงธรรมเสียงวิทยุของหลวงตาเพราะมีค่าเช่าค่า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 มิถุนายนพุทธศักราช 2,555 วันนี้เป็นวันโกนวันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาพวกคณะสัตย า, าติโยมทุกทุกท่านวันพรุ่งนี้พวกเราจะทำยังไงให้วางแผนเอาไว้แต่ตามไม่จริงน่าจะวางแผนระยะยาวเอาไว้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 ถ้าให้ความสำคัญสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในจุดนั้นตรงนั้นเวลานั้นก็สำคัญเพราะเหตุว่าเราระลึกถึงพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเตือนเหเพนปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็เป็นพศสอ5 5หปี2555้าต่อไปกับปี2556 มันจะเลื่อนไปเรื่อยๆปี55เนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตัดสรวมา 2,000 กว่าปีเป็นวันสำคัญแล้วก็พวกเราจะปฏิบัติตนอย่างไรในวันสำคัญเฉ่นนี้จะรักษาศีลอย่างไงจะภาวนาอย่างไรจะปฏิบัติตนอย่างไรอย่างน้อยคารวาดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรจะทำบุญทำทานอย่างน้อยก็ถ้าว่าไม่มี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 จากนั้นท่านก็ประกาศพระพุทธศาสนากว้างขวางไปโปรดพระบิดาคือพระเจ้าจุตโทธทนะก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์จากนั้นพระองค์ก็ได้ปรินิพานจะว่าสวรรคตไม่ได้นะเพราะพระเจ้าจุตโทธทนะถึงจะเป็นท่านเป็นคารวาสท่านไม่ได้บวชแต่ว่าจิตใจของท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ยังเป็นโยมอยู่ก็จะต้องว่าปรินิพานอย่างพระ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 คือเป็นแนวทางให้รู้ว่าพ่อแม่เลี้ยงของพระพุทธองค์ก็พาบริวารทั้งห้ารอมาบวชต่อมาน้องชายของพระพุทธเจ้านันทะก็บวชรูปนันทาก็บวชแต่นี้นางพิมพายะโสทนะราพระวรชาญาของพระพุทธองคนะ์แต่นี้พราหุ่นก็บวชถึงลูกชายก็บวชนางเออเราจะอยู่ไปทําไมเราก็ควรจะบวชนางก็ ได้เดินทางมากับบริวารมาบวชที่วัดป่ามาบวชที่กรุงสาวัตถีจะเป็นวัดสำนักชีสำนักภิกษุณีอีกส่วนหนึ่งแต่พ่อนางบวชแล้วนางก็เป็นนางภิกษุณีเป็นกษัตริ์บวชนะการเป็นอยู่กับกษัตริย์อยู่ในเวียงวังแต่นี่มาเป็นนักบวชนะเลี้ยงชีวิตเงื่องด้วยผู้อื่นบิณฑบาตฉันตามมีตามเกิด น, ะนี่นะกษัตริย์ ท่านเสียสละยอมขนาดนั้นเพราะท่านมาปฏิบัติธรรมจากนั้นวันหนึ่งนางพิมพายโสธราเนี่ยอาพาธป่วยเป็นโรคจุกเสียในท้องคือปวดท้องปวดท้องแบบบบอย่างแรงเทนิะราหุนผู้เป็นลูกก็เข้าไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปคอยอยู่ที่ศาลาเพื่อจะให้แม่มาหาบอกว่า ต้องการพบพระมานดาทั้งพิกจุนีทั้งหลายเขาก็เลยมากราบเรียนท่านพระหุนว่าแม่กำลังป่วยอยู่ลมเสียดในท้องแต่นี้พระราหุนก็เดินเข้าไปหายโยมแม่หบ พ, พระแม่เจ้าพอเข้าไปพระแม่ก็บอกเออลูกแม่ปวดท้องอย่างแรง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 คือนางพิมพ์พายยศุธลาที่เป็นภิกษุณีพูดให้พระราหุนฟังครัอพระราหุนเป็นลูกชายก็บอกไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวผมจะไปหาพระแม่เจ้าก็ว่าอย่าได้หนักใจนะลูกนะนี่นีน่นอันนี้คือเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านทนทุกข์ขนาดนั้นถึงราดธาตุขันแต่ใจของท่านไม่ได้ทุกข์แต่ธาตุขันของท่านทุกจากนั้น พระราหุนก็เดินออกมาท่านเอ๊ะท่านจะไปหาใครคือทั้งที่ภาษาลิบุตรก็เป็นพระอุปชาของท่านพระราหุนนะแล้วก็พระโมกคลาก็เป็นพี่ชายใหญ่พระอา น, นุ์ก็เป็นน้องของพระพุทธเจ้าแ้าพระพุทธเจ้าก็คือพระบิดานะท่านก็ไปหาภาษาลิบุตรไปยืนอยู่ภาษาลิบุตรมองเห็นเอ๊ะลาหุนทําไม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 ภาษาลิบุตเออไม่เป็นไรลาหุนเี๋ย ว, วันพรุ่งนี้พอสว่างเป็นวันใหม่ภาษาลิบุตก็เป็นผู้พานำนำสัมมาเนรลาหุนเข้าไปในกรุงสวัสถ์ทีพอไปถึงกรุงสวรสถ์ทีแล้วก็เดินเข้าไปให้พระลาหุนอยู่ในที่พักแห่งหนึ่งที่โรงฉันแห่งหนึ่งท่านฉันใชนไหมาหุนส่วนภาษาลิบุต ท่านก็เข้าไปในเวียงวังเข้าไปในวังของพระเจ้าปเสนที่โกศลนะเพอพระเจ้าปเสนที่โกศลเห็นพระสารีบุตรเข้ามาท่านบอกโอ้ขอในมนุ์ขุนเจ้าท่านสารีบุตรเข้ามาเข้ามาในวังมีธุระอนไดเนาะพระผมพระสารีบุตรก็ไม่พูดจากนั้นมันก็เป็นบุญของพระนางพิมพาเหมือนกันนะถ้าพิจารณาดูแล้วก็มีพวก เอาน้ำผลมะม่วงมาจากอุทยานเอามะม่วงมาจากอุทยานพอมาถวายพระยาปเสณสองใบพระยาปเสนกับปอกเลยปอกมะม่วงพอปอกมาแล้วก็ขยำขยำด้วยพระหัตถ์ของพระ อ, องค์เองใชขยำน้ำมะม่วงจากนั้นก็กรองพอสมควรแล้วก็ถวายใส่บาดพระภาษาลิบุตรนะพระภาษาลิบุตรก็ให้ศีลให้พรจากนั้นภาษาลิบุตรไม่ฉัน ตามจริงในมโนท่านฉันถ้าท่านไม่ฉันถ้าใส่บาลแล้วก็ออกมาเลยรีบออกมาเลยเพระเจ้าประเสียนก็เห็นอกับกิริยาของภาษาไรบุตรเป็นอย่างนั้นเอ๊ะทําไมท่านสาริบุตรพระเทเะท่านทำไมจึงรีบท่านจึงออกไปอย่างนี้ไปดูซิท่านก็ให้คนในเวียงวังตามไปดูฮะพอตามไปดูกดภาษาไรบุตรก็มอบน้ํามะม่วงให้พระลาหุน ะราหูนก็ได้น้ำมะม่วงเดินอ้าวมาให้คุณแม่เลยวงั้นแตอพอนางพิมพายโสทลาได้ดื่มน้ำมะม่วงกับน้ำตาลกวดอาการจุกเสียดในท้องของโยมมันดาก็หายไปพระเจ้าประเสนก็เห็นโอ้ท่านเป็นสุขุมราชาตเป็นพระเจ้าแผ่นดิน แต่หากว่าพระพุทธเจ้าทรงครองเป็นครว่าต์พระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิน่ เ, เป็นใหญ่ในแผ่นดินานางพิมพายโสธราก็จะได้เป็นอากรมเหสสีใหญ่ในแผ่นดินก็เรียบอะไรอากรมเหสสีของพระเจ้าจักรพรรดิมีศักด์อีกศักด์หนึ่งนะแล้วก็พระราหุน คงจะได้เป็นขุนพลใหญ่ในเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาแต่บัดนี้ทั้งสามพระ อ, องค์พระพุทธเจ้าก็ดีพระราหุลก็ดีนางพิมพายโสตรลาก็ดีได้ออกบวชแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ได้ตัดสู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนางพิมพาก็ได้บวชก็ได้สําเร็จเป็นพระอราหารันต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 ท่านก็ยังให้ลำลึกถึงพระคุณที่เป็นผู้มีอุปกราระคุณสาหรับองค์ท่านอย่างพระราหุลนะ่ท่านไม่ได้ปล่อยปลาละเลยท่านให้ความสาคัญพมารดาของท่านอย่างสุดซึง้งถ้าพวกเราได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาแล้วเอออันนี้ละคือบัณฑิตนักปราชญ์ท่านไม่ได้ทอดทิ้งบิดามารดาของท่าน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 อย่าทำความชั่วช้าเสีอหายอย่างนี้นะให้เป็นคนดีนะให้เป็นพระที่ดีนะอันนี้คือพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านให้แนวความคิดที่ดีสาหรับศิษย์เพราะนั้นเมื่อเราได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาและเป็นลูกของพ่อของแม่เราก็ต้องพ่อแม่ให้ร่างกายแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาธรรมะเข้าสู่จิตใจแนะนาสั่งสอนให้พวกเราพ้นทุกในวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นะ เป็นการให้อย่างสุดซึง้งให้อย่างลึกซึง้งให้อย่างดีที่สุดคือให้ธรรมะนะเนี่ยวันั้นวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาก็ขอให้พวกเราเป็นคนดีสรุปแล้วคิดดีทดําดีพูดดีพวกเราที่มีแต่ความสุขความเจริญน ะ, ะต่อเ น, นี้ไปรับพรอ น, อนโมทนาให้พร